ต้องมีจุดสํามันจุดหนึ่งที่เราตั้งใจเอาไว้การตั้งใจของเรานั้นต้องตั้งใจเพื่อว่าจะประพฤติปฏิบัติตัวเราเพื่อให้ลูกยิ่งเห็นจริงตามคผมเป็นจริงในทางพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเห็นเขาทำเขาทําไปหรือเห็นเขาเล่นเขาเล่นไปเกลียดค้านก็พักผ่อนไป เมื่อมีความคิดขยันก็าทาไปวันละนิดวันละหน่อยเพราะนั้นหรือว่าเรายังไม่มีความสนใจกันหรือยังไม่มีความตั้งใจกันในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อพูดถึงเช่นนี้ผมเคยปฏิบัติมาที่นำมาเล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่อวดดีเอาคมจริงมาพูดให้ฟัง การปฏิบัติธรรมนั้นที่แรกผมเองเข้าใจว่าการปฏิบัติแล้วต้องมีอิที่พลหรือมีกำลังอันนั้นมันเข้าใจผิดเมื่อตั้งใจไว้ผิดการปฏิบัติมันก็เลยผิดไปเราจะไปเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมข้อแรกที่สุดนั้นเราต้อง ปฏิบัติที่ตัวเราเพื่อให้รู้ที่ตัวเรานี่เองนี่เราศึกษาในตำรับตำลานังก็ที่เข้ามาที่ตัวเราแต่เราเลยไปติดตำรับตำลาก็เลยไม่รู้ที่ตัวเราแล้ครูบ า, าอาจารย์เขาหลายท่านสอนไปไม่เหมือนกันแต่องค์ที่สอนนั่นแหละเราต้องคานวณ อ, องค์ที่สอนเรานะ ท่านรับรองได้ไหมคำพูดของท่านคันถ้าหากท่านยังรับรองไม่ได้คำพูดของท่านนั้นยังไม่เป็นแก่นเป็นสารยังไม่มีสาระยังไม่มีเนื้อหาเพราะท่านเองก็ยังไม่รู้เราต้องเข้าใจอย่างนั้นบุตรนี้ให้เป็นบุตรสำคัญที่สุดเราจะวินิจฉัยดังนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี้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 ยานรูดแจ้งรู้จริงแล้วท่านก็มีความห่วงใยกับเพื่อนท่านขอเอาแหละแบบนี้เราต้องพูดความจริงพอดีท่านพูดความจริงพวกท่านเคยได้เรียนนหมมีนักบวชเหมือนกันนั่นเนี่ยที่เราเคยได้ยินว่าปราชญีวกคนหนึ่งที่กำลังสแสวงหาธรรมะต้องการอยากรู้ธรรมะ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 เมื่อเราไม่เข้าใจแล้วกับการปฏิบัติของเราก็เลยไม่ได้ผลอันนี้ก็เหมือนกันคนสมัยนี้เมื่อต้องการความจริงเมื่อมีบุคคลพูดความจริงให้ฟังก็เลยไม่สนใจผมเคยได้ยินบ่อยๆใครๆก็ตามพูดความจริงให้ฟังแล้วไม่ไม่สนใจไปสนใจเอาสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีเนื้อหา ชอบวลมสนุกเฮหาไปอย่างนั้นอันนั้นแปลว่ายัางไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาหรื อ, อยังไม่สนใจทางดับทุกข์ตัวเองในิัวเงดังนั้นวิธีที่เอามาปฏิบัติจริงๆนั้นคือปฏิบัติตัวเราอย่างที่เราทำวัดจบไปเมื่อกี้นี้เราจงอย่าอย่าเป็นผู้ประมาท เราอย่าเป็นผู้ประมาทคำว่าประมาทในทีนี้ก็เราลืมตัวนั่นแหละหนี่บอกคนประมาทคือไม่ศึกษาที่ตัวเรานั่นแหละเมื่อเรามาศึกษาที่ตัวเราก็แปลว่าเราเป็นคนไม่ประมาท ศ, ศึกษาที่ตัวเราก็ทำความรู้สึกกับตัวเราข้อแรกที่สุดเราต้องกำหนดนี้ให้มีสติกาหนดรู้ตัวเรา อันนี้เป็นการศึกษาและเป็นการปฏิบัติไม่ใช่ว่าศึกษาเล้วเรียนการศึกษาเล้วเรียนนั้นมันพูดอยู่นอกตัวเราการศึกษาและปฏิบัตินั้นมันต้องปฏิบัติที่ตัวเรากำลังทํากำลังพูกดกำลังคิดมันทําอย่างไรมันพูดอย่างไรมันคิดอย่างไรเราต้องมองทะลุเข้าไปที่ตรงนี้เรื่องเรามองที่ตรงนี้ เราก็รู้ก็เห็นก็เข้าใจความรู้ความเห็นความเข้าใจนี่มีสองประเภทที่เรารู้มีคนอื่นพูดให้ฟังเรารู้อันนั้นเป็นเพียงความคิดยังพึ่งไม่ได้ความคิดประเภทนั้นยังแก้ทุกแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ความรู้สนิดหนึ่งมันรู้ขึ้นมาจากจิตสำนึก เนี่ยวิญญาณของปัญญารู้ไม่ใช่เป็นปัญญารู้ยานของปัญญาคือมันมียานยานแปลว่าใจรู้ทัศนะรู้แล้วกับปัญญาก็ค่อยรู้ตามหรือวิภาควิจารจะตามอันนั้นอันนั้นเรี่ยว่าญาณปัญญารู้เรืยกเป็นวิปัจนาขึ้นมาก่าปฏิบัติจึงออกไปแก้ทุกได้ การปฏิบัติแบบที่ผมนำมาเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นพระป ฏ, ป, นนปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นเนรปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นญาติเป็นโ ย, ยมปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นผู้หญิงผู้ชายปฏิบัติได้เหมือนกันรู้เหมือนกันทุกคนเพราะทุกคนมันมีกายมีใจคัาสอนรของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหละผมกล้าและ ย, ยืนยันรับรองอย่างนี้มาหลายครั้งหลายหนตั้งแต่ปีคนเนี้ยผมรับรองมาปีสองพันห้าร้อยคนเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคําสอนของพระทีเจ้าไม่มีอะไรมากนอกจากเอามาแก้ทุกตัวเราเท่านั้นเองเมื่อเรารู้เราก็เอามาแก้ทุกตัวเราเมื่อเราไม่มีความทุกข์แล้วไปสอนคนอื่นก็ต้องไม่มีทุกข์เพราะคนมันมีทุกข์ มีทุกข์เพราะขมคิดนี่แหละทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นขมคิดนั่นแหละตัวขมคิดจริงๆนั้นมันก็ไม่ได้มีทุกข์ที่มันมีทุกข์เกิดขึ้นคือเราคิดขึ้นมาเราไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นไม่ทันเข้าใจขมคิดเท่านั้นมันก็เลยเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงไปเมื่อมันเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงไปแล้วมันก็นําทุกข์มาให้เรา ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราอะคอยระมัดระวังที่จิตที่ใจเราไม่เคยดูใจเราบางคนเกิดมาจนตายก็มีนะบางคนไม่เคยดูชีวิตจิตใจของเรานเนี่ยเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะก็ไปปฏิบัติที่อื่นไปปฏิบัติอย่างที่เขาพูดกันเข้าไปอยู่ในถ้ำ ในป่าหรือไปอดข้าวเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือไปนั่งหลับตากันเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนั้นแปลว่าคนยังไม่รู้คนยังไม่รู้ทำไปตามเขาลุกคิดอย่างใดก็ต้องทาไปอย่างนั้นมันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอย่างที่ผมเล่าเนี่ยไม่ต้องเข้าไปในถ้าไม่ต้องไปอยู่ป่า ไม่ต้องไปที่ไหนนะเราต้องอยู่ที่ตัวเรานี่แหละไปไหนมาไหนต้องปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไปบินทบาตรเราก็ดูใจเราไปเลิ่มมาสันเราก็ดูใจของเราหรือดูการเคลื่อนไหวของเรานี่ถึงการปฏิบัติธรรมะหากเป็นโยมอะเนี่ยไปทําการทํางาน ก็ต้องดูใจของเราเมื่อเรากำลังพักพรเรแล้วก็ดูใจของเรานี่เป็นการปฏิบัติธรรมะมิเสว่าปฏิบัติธรรมะแล้วไม่ต้องทำการไม่ต้องทำงานไม่ต้องคิดไม่ต้องหาอันนั้นไม่ถูกผมเคยทำมาแล้วเลยพวกท่านทางหลายนั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยใครใครมีมีความโกรธเ่องนี้เนี่ย ถามใครมีความโกรธอ้อนทามเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีใครโกรธนะแล้วในขณะบางครั้งท่านโกรธเป็นไหมเป็นครับแล้วมันมันมันมาจากที่ไหนท่านเห็นไห ม, ไมรู้รเนี่ยอันที่ไม่รู้นั่นเนี่ยครับมันเป็นคนลืมตัวอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ใช่ว่าท่านรักษาศีลเพ่งคัดแล้วความโกรธมันหายไหม ไม่หายเมื่อคงโกรธไม่หายท่านมีสินไหมไม่มีครับเนี่ยก็ทนนี้เองเนี่ยศินนั่นแปลว่าปกติเดี๋ยวนี้มีท่านจิตใจท่านเป็นปกติอันนี้เลยคือท่านมีสินท่านเมื่อเวลาใดขณะไหนวินาทีใดที่ผิดปกตินั่นแปลว่าศินไม่มีท่านจะไปอดข้าวอดน้ําก่ออดจนตาย มันไม่มาดูที่ตรงนี้ไม่มาศึกษาที่ตรงนี้ไม่รู้จริงๆเรื่องนี้นี่จริงไ ง, งผมเคยเคยรักษาสิลนผมเคยเป็นโยมเป็นรักษาอุโบสถสิน้นผมนึกว่าผมมีสิน้นนี่จริงแต่เมื่อมาทิจารณาแล้วสิน้นแปลปกตินี่คันคิดปกติไปแล้วกับแปลว่าไม่มีสิลน โลภะเกิดขึ้นอยากได้ของคนนั้นคนนี้อันนั้นก็ไม่มีสิลแล้วโสะเกิดขึ้นคิดอิสสาริสยาคนนั้นคนนี้อันนั้นก็แปลว่าไม่มีสิลแล้วเพว่าโมหะมีคุมอยู่ไม่รู้จริงนั่นแหละอันไม่รู้จริงนั่นแหละตอนไม่มีสิ่งให้เข้าใจอย่ายงนี้สิลแปลว่าปกติ คือไม่มีดีไม่มีชั่วคือเซยๆที่เนี่เยเป็นสิปนคนมีศีลในขณะนี้เนี่ยพวกเรามีศีลพระก็มีศีเลเนก็มีศีลญาติโยมก็มีศีลถ้าหากผิดปกติขึ้นมาเวลาใดเวลานั้นให้พวกเราคิดว่าเราตายแล้วเราไม่มีศีลแล้วเรามีทุกข์แล้วอือก็น ดังนั้นคนเป็นปกติคนมีศีล น, นั้นจึงว่าทำการทํางานพูดคิดอะไรต่างๆไม่พลาดผิดเพราะคนมีศีลเนี่ยมันจะผิดได้ทาําไมคนที่พูดแล้วไม่มีศีลผิดทั้งนั้นเพราะศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเราเคยพูดกันอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยล็ดอันความโกรธเนี่ยมันหยาบไม่เลือมันละเอียดหยาบครับเนี่ย ทุกๆคนต้องรู้อย่างนี้มันยากที่สุดเนี่ยนี่ยแล้วถ้าหากว่าท่านมีความโกรธอยู่แล้วท่านจะมีศีลได้ไหมแล้วก็มีไม่ได้เนี่ยสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางเนยครับอย่างกลางก็มีความเคลื่อนไหวปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยเขาต้องอย่างละเอียดก็ต้องกําจัดโมหะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นคู่กัน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 เพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญารู้เทารู้ทันรู้จักกันรู้จักแกอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สุดการปฏิบัติธรรมะดังนั้นจึงปฏิบัติให้รู้ที่ตัวเราไม่ต้องไปรู้ใครที่ไหนไม่ต้องไปรู้เทวดาไม่ต้องไปรู้สวรรค์ไม่ต้องไปรู้นรกไม่ต้องไปรู้ใครทั้งนั้น นี่เนี่ยที่เราสวดกันหลักธรรมะคุณว่าสันทิจิโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองมันไม่ใช่ไปรู้มาจากตำรับตำลาเราเห็นเองรู้เองเข้าใจเองไม่ใช่เป็นคนเกียจค้านต้องเป็นคนเอาการเอางานต้องเป็นคนขยันอาการีดโกแปลว่าไม่ประกอบการและเวลา จะเป็เวลาไหนก็ตามการปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจถ้าเรามีลมหายใจอยู่ก็ต้องปฏิบัติธรรมะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะก็เสื่อว่าเราหมดลมหายใจเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราไปนึกไปคิดเอาหวังเอาอันนั้นไม่ไม่เป็นอย่างนั้ น, น, น, นคือเราเป็นนึกไปคิดไปหวังเอาอันนั้นไม่สมหวังไม่สมหวังสมมุติว่าเราต้องการ ามีเงินแต่เราไม่ทํางานมันก็ไม่ได้เงินอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องการปฏิบัติธรรมเราอยากรู้ธรรมะไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้เรานั่งคิดเอาอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ที่เราเรียนมาอันนั้นแต่ว่าไม่รู้คิดเอาเองคิดเอาแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้แล้เมื่อมัน มีอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันโกรธขึ้นมามันจะมีประโยชน์อะไรอ้เนั่อันที่เรายังโกรธขึ้นมาความโกรธนี้มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านชอบไหมไม่ชอบเมื่อไม่ชอบท่านจะทำยังไงมันจึงจะไม่โกรธขึ้นมามีสติเข้าไปกำหนดรู้ครับมีสติเข้าไปกำหนดรู้แลอสตินั้นน่ะเข้าไปกาหนดรู้ เมื่อสติเข้าไปกำหนดดูแล้วมันก็ไม่ต้องโกรธใช่ไหมใช่ครับอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมมาเบื้องต้นที่สุดจึกแรกที่สุดบัดนี้เป็นพระโกรธเป็นไหมเห็นครับเนี่ยเป็นโยมโกรธเป็นไหมเห็นครับเนี่ยมันไม่ยกเว่นใครทั้งหมดเลยคนมีเงินมากๆกโกรธเป็นใช่ไหมคนจนจๆก็โกรธเป็นเหมือนกันใช่ไหมอันนี้แหละการปฏิบัติธรรมมาทีบ ปฏิบัติได้ทุกชั้นทุก l a y เป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นโยมก็ปฏิบัติได้เป็นใครๆครปฏิบัติได้ทั้งนั้นเพราะปฏิบัติเพื่อแก้ทุกนี้เองถ้าเราไม่มีทุกแล้วไม่ต้องปฏิบัติธรรมะแล้วแต่ในขณะนี้เราไม่มีทุกแต่เมื่อเหตุเกิดขึ้นมันมีทุกเราต้องเตรียมไว้จงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อเราไม่มีทุกเราต้องศึกษาสุด ผลอบรมปฏิบัติเอาไว้เมื่อเราศึกษาฝึกฝนอบรมปฏิบัติเอาไว้เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นสกะกดหน้าเราเราก็แก้ได้ทันทีนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อเราแก้ไม่ได้ก็ชว่วเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก่ออนที่เราจะนำเอาความรู้ไปสอนคนอื่นนั้นเราต้องรับรองได้หมือวิธีอย่างนั้นก็ปฏิบัติอย่างนั้น มันจึงเข้าใจอย่างนั้นมันต้องเข้าใจาไม่ใช่จะไปพูดเอาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนนั้อันนั้นมันยังไม่แน่นอนนี่ผมพูดนี่ผมรับรองได้ไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนอะไรมากถ้าหากว่าเรามาศึกษาปฏิบัติที่ตัวเราแล้วนี่แหละถูกต้องถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะครับทำกลมรู้สึกตัว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 คมเคยสิ้นมันมีครับคมเคยสิ้นมันมีพอดีใจิตใจมันไหวตัวขึ้นมาเราจะรู้ทันทีเมื่อเรารู้ทันทีแล้วความคิดหนึ่งก็เลยไม่ได้ปรุงมันก็เลยไม่มีทุก เ, เหมือนกับเราอยู่ที่มืดเรามีไฟฟ้านี่มันนี้คนที่ไม่รู้ถึงเวลาเราต้องการความสว่างก็ไปจับลอดไฟหมูนลอดไฟจะมีไฟไหม ไม่มีนะนบัด น, นี้คนที่สลาดนะบัด น, นี้ถึงเวลามันมืดเราอยู่ที่มืดเราต้องการความสว่างเขาไปจับอุ่นสวิทมานะไฟมันจะสว่างเลยไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคมโกดคมโลภคมหลงไม่ต้องไปนึกไปคิดอันใดมันแต่เรามีสติคอยดูจิต ด, ดูใจนี่แหละพอดีมันคิดเราเห็นเรารู้ มันก็มีความสว่างขึ้นภายในใจเราเราก็แปลว่าเราไม่อยู่ในที่มืดมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาศิ้นเปนนั่งรักษาสินนลสนมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอดอาหารมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ทั้งหมดเลยแต่เราอดอาหารก็ดีรักษาสิลนก็ดีอันนั้นมันเป็นเปลือกเป็นพื้นมันแต่เมื่อเรารู้มีคนที่รู้มาสอนเราจริงๆแล้วเราจับจุดเดียวเท่านั้น ใส่ได้ทําการทํางานอะไรก็ใสได้เราคิดว่าอยากไปลักของคนนี่ก็ผิดศีลแล้วนี่อันรักของเขานั่นเขามาลักของเราเป็นยังไงเราพอใจไหมถ้าคนอื่นมารักเราไม่พอใจเมื่อเราไปลักของคนอื่นคนอื่นเขาจะพอใจไห ม, ไมนี่เราก็เห็นอย่างนี้แหละวันนี้เราไปตีคนอื่นนะเหมือนคนอื่นจะพอใจไหม วันนี้คนอื่นมาตีเราเราพอใจไหมแล้วไปโกรธคนนั้นคนนี้แล้วคนที่รับําโกรธของเราเขาจะพอใจไหมบันนี้เขามาโกรธเราเราพอใจไหมอันนี้แหละปฏิบัติธรรมะให้มันให้มันรู้อย่างนี้ให้เราเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราพูดอย่างสบายๆใครจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ที่เราพูดให้เขาฟัง อันที่เราพูดธรรมะให้คนฟังนั่นแต่คนเมื่อเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาจะตําหนิเราเขาจะมินทาเราอันความตําหนิคนาินทานั้นเขาไม่เข้าใจว่าเขามีทุกข์คนที่กําลังตําหนิเรานะคนนั่นมีทุกข์แล้วที่เขากําลังมินทาเราเขามีทุกข์แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขามีทุกข์แต่เราต้องเฉยได้เขาตําหนิเรา เขานินทาเราเราก็เฉยได้เขาสนับสนุนเราเขายกย่องเราเราก็เฉยได้เพราะเราเห็นว่าความทุกข์นี่ไม่มันไม่ใด่มีคนอื่นเอามาให้เราเราคิดขึ้นมาเองคนเดียวเราเมื่อคนอื่นพูดให้เราเราปฏิเสธได้คำพูดของคนนั้นเพราะเราเห็นความคิดเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีทุกข์เลยนี่แหละคำสอนของพร ะ, พระเจ้าจุดนี้ เป็นจุดสําคัญจุดเบื้องต้นที่สุดทุกคนควรศึกษาทุกคนควรปฏิบัติทุกคนควรรู้ถ้าหากรู้จุดนี้แล้วมันก็ค่อยรู้ค่อยเป็นค่อยไปจริงเราอยากเข้าใจว่ามาที่นี่อย่างที่เรามาวัดสนามในเนี่ยแล้วกน็นึกว่าเป็นสำนักปฏิบัติเราอยากอยู่อยา่างใดก็อยู่ไปอยากกินอยา่างใดก็กินไป ไม่มีการประพฤติปฏิบัติอันนั้นไม่ได้ผลครับบางคนปฏิบัติแล้วก็เข่งตึงไปหวังว่าจะเอาจริงเอาจังสองวันสามวันหายไปเล ย, ยนั่นแหละไม่ไม่จริงแต่ว่าคุณไม่จริงคนที่จริงนะครับผมพูดตัวผมเองคนที่จริงไม่ต้องพูดอะไรมากถึงเวลาก็ต้องทําเรื่อยๆไปอยู่กับเพื่อนกับโผง ก็ทำเรื่อยๆไปทําที่ไในใจเราไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอะไรมากคนที่บางคนเอาจริงเอาจังนิดเดียวเท่านั้นเองก็ไปคุยกับเพื่อนไปแล้วอันนั้นไม่จดีเหมือนกับคุถังมันรั่วโค้นมันรูดมันแล้วเอาน้ำเทลงไปน้ามันไม่เก็บมันก็รั่วหนี้หมดมันก็นไหลออกไปจังๆเมื่อน้ามไม่ ไม่มีแล้วเราก็ไม่มีอันกินเราต้องการน้ำก็ไม่มีอันกินบัดนี้คนที่เก็บ น, นบ้นดีเราก็อยู่นำเพื่อนเราก็เงียบเงียบอยู่คนเดียวก็เงียบเงียบคือเราดูใจเราไม่ต้องพูดต่งคุยถึงจะไปฟังเพื่อนพูดคุยเราก็ดูใจเหมือนกับผู้พังหรืออะไรที่มันละเอียดดีที่มันไม่แตกไม่ทะลุเอาน้าเทลงไปมันก็เก็บน้าได้ เพราะมันละเอียดแล้วอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติจริงๆบัด น, นี้เมื่อมันติดต่อกันเหมือนลูกโซ่การดูการคิดของเรานะไม่ใช่ดูอวันเดียวนะความคิดอันนั้นมันเคยติดต่อกันเหมือนลูกโซ่มันเป็นวงจรรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้มันจะสะสมเอาไว้มันจะทะลุขึ้นมาเองมันจะเห็นเองรู้เองเข้าใจเอง เรื่องโลกเรื่องโกรธเรื่องหลงนี้อันนี้แหละเป็นจุดสำคัญคเมื่อเราทาลายจุดนี้ได้เราก็เป็นพระได้โยมก็เป็นพระได้พระก็เป็นพระได้เนงก็เป็นพระได้นี่คำสอนของพวกเซนเขาพูดกันอายุห้าปีหกปีหรือเก้าปีสิบปีเป็นพระได้พวกเราเคยได้ยินว่าเนงก็เป็นพระอรลยบุคลได้สมัยก่อนๆนเคยได้ยินไหม สมัยก่อนว่าเนรก็มีการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เคยได้ยินไมนป่ะไม่ใช่ <med ic in> ว่าจะมาบวชอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติมันเป็นเรื่องสมมุติเรื่องจิตใจมันสมมุติไม่ได้มันเหนือเหนือจากการสมมุติไปเป็นอันนี้บวชแล้วก็สึกไปจแล้วกระบวตมาอันนี้จึงว่าเป็นเรื่องสมมุติให้เราศึกษาให้เรารู้จักเรื่องสมมุติจริงๆ บันนี้คนส่วนมากสาวคุทธนี้เองไม่ค่อยรู้จักสมมุติทำไมจริงไม่ค่อยรู้จักสมมุติเพราะคนสอนกันในเรื่องสมมุติสอนกันมากพระพุทธรูปเนี่ยผมเองไม่ค่อยรู้แต่ก่อนผมได้ทราบพระพุทธรูปนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าใจอย่างนั้นกด็ดีเมื่อมีแล้วอย่าไปทาลาย แต่เมื่อไม่มีแล้วก็เฉยเฉยได้เดี๋ยวนี้ผมเฉยได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุตินี่มีไว้แล้วท่านกับไม่ได้สอนผมท่านเคยเห็นพระพุทธรูปไหม <Okay. S 1> แล้วท่านสอนนะ <Okay. S 1> ไม่พูดอะไรกับท่านนะ <Okay. S 1> ก็มีก็เท่านั้นเองไม่มีก็เท่านั้นเองแต่ทําตัวของเราเป็นพระแล้วกันใส่ได้นดี่เป็นอย่างไรพระแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐ อันนั้นท่านไม่สอนเรานั่นเป็นเพียงสมมติเป็นวัตถุอันห น, นเหมือนกับเราที่มาบวชนี่แหละบวชก็เป็นสมมติเป็นวัตถุสักนิดหนึ่งเราเห็นได้โดยตาเนื้อที่อันทําลายข่มโกรธข่มโลภข่มหลงนั้นอันนั้นแหละเป็นพระโดยเหนือสมมติไปมองไม่เห็นเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมคืออย่างท่านอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยอันนี้แหละแต่เราให้ดูให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเดวลามันมีแล้วอยู่ในคน แต่คนเลยไม่มาสนใจที่ตรงนี้พอดีมันโกรธขึ้นมาเราก็เลยไม่เห็นไม่รู้มันเป็นทุกมันเป็นทุกเราก็ดิ้นหล่นขึ้นมาเลยนนไปนินทาว่ากล่าวคนนั้นคนนี้หาว่าคนนั้นคนนี้พูดให้เราแต่ความจริงเขาพูดเรื่องของเขาเขาไม่ได้พูดเรื่องของเราสมมติเขาเรียกว่าหมาเงินสุ น, นัา่างิน แล้วก็หาว่าเขาพูดให้เราแต่ความจริงคนที่พูดให้เราเนั่นแหะเขาเป็นสุ น, นัขเป็นหมาเพราะเขามองคนไม่เห็นคนเป็นค น, นจิตใจเขาเป็นหมาเป็นสุ น, นัขเราก็เฉยได้อย่างนี้เพราะเราเห็นได้อย่างนี้อันนี้เปลว่าญาณของปัญญารู้ิญาณรู้มันเร็ว <c oughs> ให้เข้าใจอย่างไงอันนี้เราจะไปหาว่าเขาพูดให้เราแต่เราก็งงที่สุดนี่มันเป็นอย่างไง วิธีปฏิบัติมันไม่มากอที่นำมาเล่าให้ฟังแบบนี้ต้องจดจำเอาไว้วิธีปฏิบัติง่ายเราต้องทําตัวของเราเป็นพระเป็นพระเป็นเมงก็เป็นพระเป็นเนงอยู่ในวัดเป็นญาติเป็นโยมก็เป็นพระอยู่ในบ้านในเรือนก็ได้อันนี้แหละเป็นทางไปสวรรค์เป็นทางไปนิพพานถ้าหากว่าเป็นพระเป็นเนงยังมีโกดมีโลภมีหลงก็เป็นทางไปนรกเหมือนกันท่านจึงสอนเอาไว้คนโบราณว่าสวรรค์อยู่ในอก นาลุกอยู่ที่ใจ